ชัยยศครับชัยยศครับ<อ>ชัยยศครับชัยยศเป็นไงบ้างทุกสายไร่ฟังฟังเขา้าแล้วก็เป็นไงบ้างอ่ะอพอใจไหมทุกสายไร่ฟังจากอาจารย์ได้อพิจารณาสอนมาเนี่ยครับก็ฟังแล้วก็พิจารณาฟังไปพิจารณาตามที่อาจารย์อธิบายให้กับโยมทุกท่านนะครับแล้วก็อดูจากตัวเราเองนะครับที่เราปฏิบัติ ครับก็เพียงแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยก็คือก็ปกติก็จะเป็นคนคอยปฏิบัติอยู่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจากเดิมที่เราเหมือนกับไม้เปียกเราก็มาเป็นไม้แห้งแต่ว่าไม้แห้งของเราตอนนี้เนี่ยชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันเหมือนกับที่ใกล้น้ําอยู่เรื่อยมีแต่น้ําที่คอยมาเปียกเปื้อนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยติดไฟยากอย่างเงี้ยฮะว่าในการพิจารณาการปฏิบัติของเราเนี่ย เราต้องคอยพิจารณาดูแล้วก็พยายามที่จะมองว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามพิจารณาอย่าง น, างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่เขามากระทบเรามันการอยู่ในเมืองกับการอยู่ต่างอยู่ในชนบทไปปฏิบัติในชนบทเนี่ยก็ <c oughs> เลยมองเห็นความแตกต่างว่าการอยู่ในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายมันเหมือนกับอยู่ใกล้น้ำโดนเราโดนน้ำสาดอยู่ตลอดเวลาแต่การที่อยู่กับธรรมชาติ กับการที่เราไปอยู่ที่เงียบๆ เ, เนี่ยกับทําให้เราเนี่ยสงบนิ่งมากกว่าครับต้องพิจารณาความไม่เที่ยงมากนะตอนนี้มันติดอยู่ในความสงบกับความไม่สงบความสงบกับความไม่สงบเป็นหลักใหญ่ครับต้องพิจารณาความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงมากๆพิจารณาในความไม่เที่ยงเข้าใจไหมครับะ พิณาลงที่ความไม่เที่ยงตอนนี้มันติดอยู่ความสงบความไม่สงบความสงบความไม่สงบเป็นหลักใหญ่มากกว่าอันนี้มันยังมันยังไม่ไ ม, ไ, มไม่พ้นทุกข์มันเพียงแ ค, ค่สงบไว้สกัดเอาไว้หินทับหญ้าไว้เชื้อข่าวพอมีอะไรกระทบก็ระเบิดอีกมีอะไรกระทบก็ระเบิดออกอีกครับมันยังไม่ได้เป็นเรื่องของการพิณา ว, ว่าสังขารไม่เที่ยงจริงๆสังขารไม่เที่ยงสังขารจิตใจไม่เที่ยงร่างกายตัวตนไม่มีไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟจะหลายหายไปหมดสิ้น ไม่เหลือสัตบุคคลตัวตนไม่เหลือตัวเราตัวเขาสลายหายไปที่จริงมาจากธาตุกับพื้นสู่ธาตุมาจากดินกับพื้นสู่ดินมาจากน้ํากับพื้นสู่น้ํามาจากลมกับพื้นสู่ลมมาจากไฟกับพื้นสู่ไฟมาจากธาตุรู้ท right kind of ี่ว่างเปล่ากับพื้นสู่ธาตุรูที่ว่างเปล่าหาตัวตนไม่มีแล้วพิจาณาอย่างเงี้ยซ้ำๆๆๆๆจะไปติดอยู่ในความสงบแล้วไม่สงบสงบแล้วไม่สงบมลนก็จะติดอยู่ในความไม่ติดอยู่ในความสงบใจอยากให้อยู่กับความสงบเงียบๆหาที่สงบเงียบๆอยู่แล้วก็อะไรกระทบไม่ได้ เราก็จะมีอารมณ์ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวนะยังอยู่เพราะอยู่ในขั้นนั้นอยู่ยังไม่ได้ไม่ได้เลยเป็นการพี่นายให้หลุดออกไปชื่อเตยอะยค่ะตไไเตยค่ะเตยเป็นไงอาก็ปฏิบัตินั่งสมาธิกับออทุกวันนะคะลังสมาธิทุกวันเรค่อง นั่งสมาธิทุกวันจะไม่คิ้งุนงิดอ่ะในใจเลึกๆมงุนงิดขี้งุนงิดเป็นเพราะอะไรต้องปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางตั้งใจปล่อยวางปล่อยวางแล้วเป็นไงบ้างอ่ะก็คือเดี๋ยวนี้มันก็นิ่งอย่างเดียวคือมันก็พิจารณาอะไรไม่ค่อยได้อ่ะค่ะเป็นเพราะอะไรไม่ เหมือนมันไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้นิ่งอย่างเดียวเนี่ยเวลาพอกระทบไม่ได้เลยกระทบนิดนึงก็ไม่ได้อารมณ์หงุดหงิดของขึ้นเลยไอ้นิ่งอย่างเดียวเนี่ย เ, เราสังเกตได้ดีทีพอกระทบไม่ได้นะกระทบนิดนึงไม่ถูกใจขัดเครื่องใจนิดเดียวพอเรานิ่งๆอยู่ในอะไรมันกระทบไม่ได้เลยยึดชิดปัจจุบันกระทบปุ๊บมันจะขัดเครืองใจเลยแล้วไม่พอใจใจจะห ง, งุดหงิดน้อยใจใช่ไหมก็มีมีบ้าง อืไม่ถูกนะที่ปฏิบัติอยู่ไม่ถูกหนูต้องพิจารณาด้วยปัญญาเดินสายต้องปัญญาเพิ่มปัญญาให้มากย่อนิ่งอย่างเดียวนะเพราะว่าอันนี้มันไปติดอยู่ในความนิ่งนี้เฉยคือก่อนหน้านี้มันพิจนารณาได้แต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ดีมันก็เลิกเลิกก็เพราะว่าเราไปติดนิ่งไงติดนิ่งเออเราไปติดนิ่งแต่ไปติดนิ่งติดเฉยเนี อ, อันนั้นมันไม่ถูกผิดและผิดทางอ๋อคือก็ต้อง พอจิตใจสงบแล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายจิตใจอ่ะแล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาตรงไหนชัดร่างกายจิตใจว่าไม่เที่ยงเห็นแต่สังขารเนี่ยพิจารณาแต่ร่างกายจิตใจของเรามีของไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพิจารณาเขามันเป็นจิตนี่อย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเข้าใจไหมจริงๆนะถ้าไปจิตนี่จริงๆเนี่ยพอไปจิตนี่จริงๆมันจึงกระทบไม่ได้นะกระทบเรามีอารมณ์แรง กระทบปุเดิมไม่มีอารมณ์พอกระทบเริ่มยิ่งอารมณ์แรงกระทบยิงย่ง ม, กกมีอารมณ์น้อยใจแตะไม่ได้เลยล <สา S 1> ูกสาใช่ไหม<น> ใ, ใช่กสิณเพ่งแสงก่อนก่อนหน้า น, นี้นมันก็มีแสงขึ้นมาเองอ่ะค่ะบ่บ่บอผิดแล้วนั่นแหละเหมือนตอนแรกที่เริ่มนั่งแล้วอยู่ดีมันก็มันมันจ้าขึ้นมาเองไม่ไม่ได้ไปเพ่งเหมือนคือพอหลับตาแล้วมันก็จ้าขึ้นมาเองแล้วเราก็เ ล, ล, ลยดูอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ ไม่ไม่ได้สนใจไอ้ตัวแสงก็ทำอนาปนานสติมาตลอดล้วพอหลังๆแล้วคือเริ่มเริ่มไปสนใจไอ้ตัวแสงแล้ว<อ>คือเหมือนพอพอทำแล้วก็ลองเปลี่ยนพออันไหนทาแล้วมันนิ่งก็เลยลองเปลี่ยนไปลองวิธีอื่นแล้วไม่มีมีใครสอนไม่มีใครสอนหรอเห็นไหม ก็ก็มีมีสอนแล้วก็ไม่ได้แก้ให้อ่ะก็ก็ถามถามเรื่องกระสินเหมือนกันนะคะถามเรื่องเนี่ยตัวไอตัวอะโลกับกระสินท่านก็บอกว่าก็ใช้ได้ใช้ทำสมาธิได้ออไม่เอาไม่เอาใหม่นะ ก็คือเป็นอานาปานสติไปธรรมดาอย่างเดียวเป็นควาไม่เที่ยงสังขารครับพอสงบพอพิจารณาสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงโลกอันนั้นไม่ใช่ทางพุทธเจ้านะทางพุทธเจ้าต้องเห็นร่างกายจิตใจไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเป็นมันเป็นสมาธิฤาษีการเพ่งกระสีันเป็นเป็นสมาธิฤาษีโลกคือแล้วถ้ามันหลับตาแล้วมันมีขึ้นมันขึ้นมาเองตลอดเวลายี่ห้อทำยังไงก็ไม่เป็นไรเราอย่าไปสนใจเขาสิ เราไม่ไป<ช>ไสนใจก็ไม่มีอะไรหรอกแต่มันมีกระช่างมันไม่คิดไม่ต้องไปคิดทําลายเขาแต่อย่าไปสนใจเขาเราก็น้อมพี่นาแต่ความไม่เที่ยงน่ะแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วมานใช้ประโยชน์ได้แล้วก็แสงหน้าฉายเข้ามาในตัวเราเหมือนกับมันเป็นไปฉายแล้ว่มันมีไปฉายแล้วเราก็ไปฉายหน้าฉายเข้ามาในตัวเราลอกผมกวดเลนฟ้าหนังเลยในกระดูกตับไตไตน้อยไตใหญ่มากสปอดหัวใจยังให้มันเน่าให้หมดพี่นานน้อมมันเน่าเนาเน่าเดี๋ยวเราต้องแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลง แก่แล้วก็ตายหน้าเปื่อยผูพังเหยวย่นไปแล้วก็สุดท้ายก็แก่ไปแล้วก็ตายก็เน่าเปื่อยผูพังไปเอาไปฉายฉายเข้าไปในตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็น้อมเข้าพร้อมกับน้อมถึงความจริงเข้าเอถ้าเราน้อมไม่ออกเราก็น้อมเช่นว่าเรามีอายุเท่าไหร่แล้วเราก็บวกไปอีกสิบปียี่สิบแล้วก็บวกไปอีกสิบสามสิบสามสิบจะเป็นอย่างภาพยังไงตัวเราสี่สิบเป็นยังไงห้าสิบเป็นยังไงหกสิบเป็นยังไงเจ็ดสิบเป็นยังไงแปดสิเป็นยังไงนึกน้อมเข้าแต่เรานึกน้อมไม่ออก พอนึกถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องที่อายุ80เป็นยังไงตัวเราถ้าถึง80ตัวเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแง่แง่ตัวเราต้องเป็นอย่างงี้แง่แไม่อาจจะอื่นไม่ได้90ตัวเราเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายาย90เป็นนอนอยู่ไอซูร้องโอดโอยกันเป็แถวแต่บางทีไม่ถึง90ไปแล้วทั้งหลายคนไปแล้วมีสภาพเป็นยังไงเราก็ต้องมีสภาพอย่างนั้นเนี่ยแง่แง่เอาไปฉายเนี่ยฉายเข้าไปในตัวเราในแสงสว่างเนี่ยมื่มันมีแล้วเราก็เอาแสงสว่างเนี่ยฉายเข้าไปในตัวเราพร้อมกับน้อออยยยู่่างง น้อมอยู่ในตัวซ้ำซํำๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวภาพมันก็ปรากฏในมิตในตัวเรานี่แน่เห็นตัวเราตายเน่าเปื่อยปูพังเตาเน่าเปื่อยปูพังสลายไปเหมือนกับสภาพพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายจากกันเนี่ยแล้วเราก็น้อมอยู่นเนี่ยเน่ยกัดติดจดจอ่อเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมานี่นเนี่ยไม่สนใจเลยว่าเวลาเวลาไม่สนใจกินไม่สนใจนอนเลยไม่ช้ามันก็ระเบิดโล ก, กาธาตุทั้งภายในและภายนอกออกออหากาันทะลุโล ก, กาธาตุไปเลยเน่ยสิความจิตบ้านถือบ้านไปอันนี้จึงจะเป็น ทางเดินของพุทธเจ้าทางเดินของพระแม่ครูบาจารย์ทั้งหลายไปติดเพ่งนอกอันนี้มันเป็นมันเป็นชาฤือีเปพบลือศีลือศีติดกสินลือศีติดชานเ อ, อมันมีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดแล้วนั้นน่ะไม่สามารถพ้นทุกได้ตัวน้อมกลับก็มาหาตัวเองพลิกกลับด้านเขามาึมาฉายแล้วเขามาในตัวเองจึงสามารถพ้นทุกได้จึงจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นปนคําสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เคยไปเรียกลือศีามาก่อนเพ่งนอกอืมเพ่งนอกแต่เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ พลิกลับด้านเอาสมาธิกลับมาน้อมพิจารณาภายในร่างกายจิตใจของตัวเองก็บรรลุเป็นสมมาธรรมุทธเจ้าตัสดสินเป็นตมมาธรรมุทรเจ้าเอามาสอนให้พิจารณาที่ความไม่เที่ยงของร่างกายจิตใจตนเองเนี่ยแล้วก็จะบรรลุไปเพราะแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ล้วนเอามาน้อมพิจารณาที่ร่างกายจิตใจของตัวเองไม่เพ่งนอกพวกกสิณ ต, ต่างๆก็ามาใช้ได้ในสภาพข้างนอ ก, กเฉยเบื้อ ง, งต้นพอเสร็จแล้วเมื่อได้ลมสมาธิได้แสงได้สีต่างๆก็น้อมมาเข้ามาหาตัวเอง เมื่อกับได้ไปฉายแล้วก็เอามาฉายใส่ตัวเองแล้วก็ไม่ให้มันหลุดออกจากร่างกายของตัวเองน้อมกัดติดจุดๆกัดติดอย่างงั้นนะ่ะนะเข้าใจไหมค่ะตอนน้องไม่เป็นเนี่ยในในในซีดีเราก็มีบางบางแท็กเลือกอสุภกรรมฐานมาแต่เราจะพีเะเะ่เราจะสอนเลือกละเอียดมากเลยอธิบายไว้ละเอียดมากเลยในในแผ่นหนึ 2, ่งกับแผ่นสองเราจะไม่ได้เอาไปน้อมไปเอาไปอ่านไปไปฟังก็แล้วก็ดูเลือ ก, เ ล, อกเลือกแท็กฟังนะแล้วก็เปิดดูในอสุภาษกรรมฐานว่านาวติดใน y ยูทูบอ่ะ พิมก็ไปโอ้โยเยอะแยะหมดเลยในอะไรโคตรเชื่อเขาโคตรนามแต่ก็ ไ, ได้ไอ้เลยเพลงตับลมหายใจสุดท้ายของปานธนพรเนี่ยเคยดูไหมแล้วแน่ดูไบ่อยๆแล้วน้อมเข้าน้อมมาเป็นตัวเราที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างปานธนพรในรูปที่เขาเขาทำเนี่ะดูเลยลมหายใจตับลมหายใจสุดท้ายเน่ะดูไปบ่อยดูไปบ่อยแล้วน้อมเอาไปฉายที่เราได้แสงสว่างแล้วไม่ต้องมันดีไปแล้วมัน ไ, ได้มาไม่ต้องมันหายไปแต่เอากลับไปฉายในตัวเราอย่าไปฉายข้างนอก จะไปสองข้างนอกไม่ประโยชน์อะไรกับประส่องในตัวเราจะได้ประโยชน์นะเข้าใจไหมลูกสาวก็ปฏิบัตินิ่งมีพระอาจารย์สอนแต่พระอาจารย์ท่านจะไปทางสมถะนะครับและแ ต, แต่แต่ที่ว่าจากนิ่งตอนแรกก็ <c oughs> มาเปลี่ยนเป็นพิจรารณามรนาสติแต่โมรนาสติแล้วก็เกิดมีแสงขึ้นมาแล้วมีแสงก็ดีแล้วเอาแสงที่กลับมาแต่ไปฉใชแล้วปาใช้แตม่ใช่ผมก็ไม่กล้าว่าผมก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไง จนท่าฟังพระอาจารย์บอกหรืได้ปัญญาว่าอ๋อมันจะต้องมาส่งเข้าหาตัวอะไรที่ถ้าอะไรพ้นจากกายกระจายตัวเองไปไป่พ้นทุกข์แต่ถ้ากลับมาส่งในกายตัวเองเนี่ยเป็นพุทธเป็นทางพุทธเจ้าครับของผมคราวที่แล้วนี่ก็คือจําได้แล้วพอพูดถึงถามจำได้แล้วก็นึกเอ๊ะกำลังคิดว่าเจอหน้าใครว่าอ๋อเนื้อก่อนแล้วครับคือปฏิบัติผมก็ปฏิบัติทุกวันนั่งสมาธิแต่นี่มันไปไปสมถะจนมันนิ่ง แล้วมันรู้สึกมันมีพลังหิดที่ิฐานคือนั่งสมาธิจนถึงฐานเนะี่ยแล้วมีสตินิ่งแล้วก็พอนิ่งแล้วมันรู้สึกเหมือนมีพลังก็เลยพยายามตอนนั้นก็เวลาออกจากสมาธิก็ไม่ได้ใช้ปัญญาแบบที่พระอาจารย์บอกออแต่เราก็ใช้ไอพลังหดูเนี่ยเดินให้มีสติทั้งวันบางทีเดินทีเป็นชั่วโมงเลยก็แต่ก็ได้แค่สติมันไม่ได้อะไรจากนั้นขึ้นมาไม่ได้ปัญญาแต่พอดีได้ฟัง หลวงตาได้สอนก็เริ่มใช้เพิ่มเริ่มดูจิตของตัวเองเป็นแล้วก็แยกเวทนาแยกปรุงการปรุงแต่งแยกจิตขันได้แล้วก็พอรู้แล้วมันก็ ก, ก็ก็วางแต่บางครั้งเนี่ยการวางมันเหมือนวางไม่สนิทนะมันวางแล้วเดี๋ยวมันก็ผุดขึ้นมาอีก อวางวางอย่างวางเหมือนกําลังที่วางเนี่ยมันไม่มีค่อยมีกําลังที่จะวางในในในสิ่งที่เราเราคิดหรือสิ่งที่บันทําให้เราเกิดอารมณ์ขุนเคืองขึ้ น, นและมันยังมีเขาเรียกว่าอนุสัยอะไรที่มันติดอยู่ว่าโกรธบ้างหงุดหงิดบ้างมันจะมีค้างอยู่มันจะคุ ข, ขึ้นมาง่ายครับก็เลยที่ที่เป็นเช่นนี้ก็ว่าอย่างงี้ ตัว er นี้สําคัญมากนะคือเป้าหมายผิดเป้าหมายที่คาดหมายวางเป้าหมายไว้ผิดคือวางเป้าหมายในการพิจารณาเนี่ยเพื่อไปสู่ใจที่นิ่งเพื่อไปสู่ใจที่นิ่งใจที่สงบเงียบเป้าหมายที่วางไว้นี่ผิดคือเอาเป้าหมายใจที่นิ่งที่เงียบทีสงบอ่ยตัวเนี้เป็นเป้าหมายในการพิจารณาอันนี้อันนี้ผิด เพันถ้าเราทําแบบเนี้มันจะเหมือนกับว่ามือหนึ่งเราจับความเงียบความสงบไว้เป้าหมายที่เราเราจับเป้าหมายไว้คือความเงียบความสงบความว่างความสบายใจไว้ความสุขกายสบายใจไว้ไว้ภายในใจแล้วอีกมือหนึ่งเนี่ยเราก็พิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความไม่เที่ยงเราก็พิจารณาความไม่เที่ยงอย่างของลูกสาวเนี่ยก็คือมือหนึ่งจับความความเงียบความสงบความเบาความสบายไว้ความนิ่ง แล้วก็อีกมือหนึ่งก็พิจารณาเห็นพิจารณาแสงสีพิจารณาแสงรสว่างพิจารณาสิ่งที่ใช้เครื่องล่อแต่ของหมอเดิมก็ใช้แบบนั้นแล้วหมอก็เปลี่ยนอพิจารณมาเปลี่ยนมาเป็นที่ดวงตาสอนข้าที่แล้วก็คือว่ามาพิจารณาความตายหน้าเผยผูยผ้าพิจารณาสังขารไม่เที่ยงใช่ไหมแต่หมอกับมือหนึ่งเนี่ยจับใจที่สบายไว้ใจที่สงบใจที่นิ่งใจที่สบายไว้หมอไม่ได้ปล่อยวางหมดพิจารณาพวกความปล่อยวางหมดไม่เอาอะไร ไม่ยึดถืออะไรไม่มีอะไ ร, รยึดถือได้ต้องลงปฏิใจัยอย่างนี้ตลอดเวลารู้สึกว่าจะเป็นแบบที่หลวงตาบอกเป๊ะเลยเอก็ถูกต้องเพราะว่าตอนเนี้ยหมอเนี้ย<ต>มีมันมีหุ้มไว้เนี้ยมันเข้าไม่ถึงหมอพิจนาเนี่ยมันมีหมอหมอเคยเห็นในพระอาทิตย์ทรงกรดไหมเคย เ, คเอ อ, เ อ, อพระอาทิตย์ทรงกรดเนี้ยมันก็มีมีแสงสว่างขอบขอบขอบขอบใช่ไหมไม่ใช่สงกรดจีก็เรียกกันอั่างนีสุริยะปราคา เออสุริยปลาคาเคยเห็นไหมคือมันมีแสงสว่างออกข้างๆแต่กลางๆเนี่ยเออนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเเงรู้เลยว่าไอ้ที่แสงสว่างข้างๆที่ออกมาเนี่ยคือหมอจับใจที่ที่มันมันนิ่งมันสงบไว้แล้วแอบชอบใจที่มันนิ่งมันสงบไว้เหมือนลูกสาวอ่ะเออมันก็จะเป็นเหมือนในสุริยปราคาแต่กลางกลางทั้งหมด่ะมืดมืดต่อยพิจารณาไงมันจะพิจารณาไม่ชัดเพราะอหไรมันพิจารณาในความมืด มันไม่ได้พิจารณาในความไม่มีอะไรอแต่ถ้าเราพิจารณาไม่เอาอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนพิจารณาอยู่ในอากาศเนี่ยพิจารณาธรรมชาติอย่างนี้เลยมันว่างก็ว่างอยู่มันเบาก็เบาอยู่ยิ่งพิจารณายิ่งปล่อยยิ่งหวานยิ่งบ้างไม่ว่างมากเลยกายไม่มีใจไม่มีเดินไปไม่มีจับแขนจับขาไม่มีเลยตัวตนไม่มีแต่ไม่สนใจเลยไม่สนใจความเบาความว่างนั่นเลยสนใจแต่การพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างเดียวทําเหตุอย่างเดียวผลไม่สนใจเลยผลคือ ทำไม่กายเบาใจเบาเหมือนเหาะเหินเดินอากาศได้เดินไปเนี่ยเหมือนทาาไม่ติดพื้นเหมือนเหาะได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ตัวก็ไม่มีน้ำหนักกายก็ไม่มีคอยจับแขนจับขาเลยตลอดเวลาแต่ไม่สนใจเลยสนใจแต่พิจารณาแต่สังขารร่างกายไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงแล้วก็จิตก็ไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงจิตเกินดับเกินดับไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้พิจารณาอย่างเงี้ยแต่ยิ่งพิจารณาก็ะกายก็เบาใจเบามากเลยยิ่งเดินยิ่งเบามากยิ่งเบามากยิ่ง สว่างสไยมากกว่าที่ที่หนูบ่ออีกยิ่งสว่างสววโอ้โหเจิดจ้าบางบางท่านว่าสว่างสไยเป็นพระอาทิตย์สิบดวงเงี้ยโอ้โหขนาดไหนสว่างขนาดไหนพระอาทิตย์สิบดวงดวงเดียวยังขนาดเนี้ยดูดิเปิดม่านออกในหูสว่างขนาดไหนดวงเดียวนี่สิบเป็นสว่างไม่รู้กี่ดวงบางท่านว่าในตำราพระคมภีร์ว่ามันสว่างสไยขนาดนับเม็ดฝนที่ตกบนท้องฟ้าในทุกเม็ดอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเนี่ย แต่ลูกตากไม่เป็นนะขนาดนั้นไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ท่านว่ามันถึงขนาดนั้นแล้วความสว่างสวัยแต่ไม่ได้สนใจเลยคือมันเพราะว่าเอุที่ไม่สนใจเพราะอะไรมันเป็นผลแล้วเป็นผลเราไม่เราไ ม, เาไม่เราไม่ทิ้งเหตุถ้าเราทิ้งเหตุปุ๊บผลมันจะดับผลมันก็จะดับเองนี้เราเราทําแต่เหตุผลมันก็ยิ่งโอ้โหยิ่งเจิจ้ายิ่งชัดเจนยิ่งปล่อยวางยิ่งเจิจ้าชัดเจนยิ่งปล่อยวางยิ่งสว่างสวัยทั้งโลกธาตุเลย แต่เราก็ทําเหตุด้วยเพราะว่าอะไรเรารู้ว่าผลในเนี่ยมาจากเหตุเหตุคือการพิจารณาเข้าใจไหมหมอหมอขี่จักรยานเป็นไหมเออเหมือนกับเราขี่จักรยานนี้ใช่ไหมเราขี่จักรยานเรายึงปั่นมันเรายึงถีบบันไดใช่ไหมเรายึงถีบบันไดเออจักรยานก็วิ่งจิ้วเลยพอจักรยานวิ่งดีปุ๊บเราชอบใจผลคือแม่จักรยานวิ่งดีเราเท้าขึ้นเลยแล้วเราก็ปล่อยให้จักรยานมันไหลไปแล้วไม่ไ ม, ไมีคนถีบแล้วผลยังไงเออจักรยานกระชากหลงแล้วไปสู่กับลม นั่นแหละคือเราไปทำลายเหตุนะถ้าเราเออรู้ว่าไอ้ผลที่จักรยานวิ่งชิวก็เพราะว่าเราปั่นนะตอนนี้เราก็โอ้โยยิ่งสบายแล้วพอจักรยานมันวิ่งวิ่งออกตัวแล้วตอนนี้เราก็ปั่นปั่นได้ง่ายขึ้นแล้จักรยานก็วิ่งชิวแต่เราก็รู้ว่ายิ่งปั่นเราก็ยิ่งสบายไม่ต้องออกแรงมากแต่ถ้าเราไปชอบใจผลเราทิ้งไอ้ที่บันได ท, ที่เราเราเหยียบแล้วเราปั่นผมกสุดท้ายมันก็ช้าลงผลก็ช้าช้าลงแล้วก็ดับไป